บุกทูแปดสิบอสมเดตคำคุณศัพท์สามปรเียดรีเธอมีสุนัขหนึ่งตัวออนะอีมาพซสุนัขตัวใหญ่ เ, เธอมีสุนัขตัวใหญ่หนึ่งตัวออนอีมาเบลกกพาเธอมีบ้านหนึ่งหลังออนอีมาคูบ้านหลังเล็กคูชเยมาล เธอมีบ้านหลังเล็กหนึ่งหลัง Ona ima m a l u kuju เขาพักอยู่ในโรงแรมหนึ่งแหง่ง On stanuje u, u hotelu โรงแรมราคาถูก Hotelje jeftin เขาพักอยู่ในโรงแรมราคาถูก เขามีรถหนึ่งคัน он имеет авто รถราคาแพง автое скупо เขามีรถราคาแพงหนึ่งคัน он и м е скупо เ <Auto. S 2> ขาอ่านนิยายหนึ่งเรื่อง On Cita Roman นิยายน่าเบื่อ Roman เย Dosaden เขาอ่านนิยายน่าเบื่อหนึ่งเรื่อง On Cita Dosaden Roman เธอดูหนังหนึ่งเรื่อง Ona gleda film หนังน่าตื่นเต้น film e u s b u d l i เธอดูหนังน่าตื่นเต้นหนึ่งเรื่อง Ona gleda usbudliv film กรุณาไปที่